เรื่องคนมีคณาเป็นอุปชาสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรมีคณาเป็นอุปชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีคณาเป็นอุปชาไม่เพิงให้อุปสมบท ร, รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอบัตรทุกขกดวงเล็บสิ